วันดีคืนดีโดยพันเอกปิน่นมุทุกันวันดีการอบรมวันนี้เป็นรายการพิเศษที่สถานีวิทยุสรรื่อสารให้เวลาแก่ข้าพเจ้ามาสนทนาปราศัยกับพี่น้องทหารและท่านผู้รับการอบรมประจำรายการวันพุธตลอดจนพี่น้องร่วมชาติร่วมศาสนาทั่วไป การที่ข้าพเจ้าต้องรบกวนเวลาของสถานีเช่นนี้ก็เนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้รับอบรมจากรายการวันพุธหลายกลุ่มด้วยกันได้ติดต่อขอเชิญข้าพเจ้าให้ออกไปพบปะกับบรรดาผู้อบรมเพื่อขอฟังคําบรรยายต่อหน้าข้าพเจ้าสักครั้งหนึ่งซึ่งแต่ละกลุ่มได้กําหนดเอาวันมาค้าบูชาคือวันนี้เป็นวันนัดประชุมและยืนยันว่าจะมีสมาชิกชุมนุมให้พบปะ แห่งละ400บ้าง500บ้างมากกว่านั้นบ้างกลุ่มผู้อบรมเหล่านี้อยู่ในจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดด้วยกันแต่ละแห่งรับรองจะให้ความสะดวกแก่ข้าพเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างขออย่างเดียวให้ข้าพเจ้ารับคำเชิญก็แล้วกันข้าพเจ้ารับทราบความปรารถนาดีของท่านผู้อบรมด้วยความเต็มตื้นทุกรายแต่ก็สุดวิสัยที่จะรับคาเชิญได้คือ เนื่องจากได้รับคำเชิญของสมาคมสัมพันธวงศ์ไว้แล้วต้องไปแสดงปาฐกถาที่นั่นวันนี้เวลา13นาฬิการวมความแล้วข้าพุทเจ้าไม่มีทางที่จะเปลีกตัวมาพบปะกับท่านทั้งหลายได้นอกจากวิธีเดียวที่เราเคยพบกันมาทุกเย็นวันพุธเท่านั้นและ ว, วิธีนี้ก็คือสิ่งที่กำลังทำอยู่เวลานี้ ในการพบปะกันทางกระแสะความคิดและทางเสียงพูดครั้งนี้ข้าพเจ้าใคร่จะได้ชี้ให้เห็นจุดสำคัญของวันมาฆบูชาพอเป็นทางพิจารณาแต่การบรรยายนี้จะพูดถึงทัศนะในทางปฏิบัติธรรมะแทนที่จะเล่านิทานหรือพูดถึงเรื่องจารีตประเพณีซึ่งท่านได้อ่านได้ฟังจากทางอื่นมากอยู่แล้ววันมาฆบูชา เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นวันสำคัญยิ่งในศาสนาเพราะวันนี้เมื่อ 2,500 ปีเสร็จมาแล้วซึ่งเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่หลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วไม่นานนักได้มีการประชุมพระครั้งใหญ่และเป็นครั้งสำคัญที่สุดในประวัติแห่งพระพุทธศาสนาหรือจะว่าสำคัญที่สุดในโลกก็ได้จนบัดนี้ ก็ยังไม่เคยมีการประชุมครั้งใดที่สำคัญเท่ากับครั้งนั้นและก็ไม่มีทางที่ชนชาติใดจะจัดให้มีการประชุมเช่นนั้นได้อีกแล้วจริงอยู่การประชุมคนจำนวนมากๆเป็นพันๆหมื่นๆเป็นสิ่งที่ทำกันได้สมัยทุกวันนี้เราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆที่มีการเอาคนประชุมกันมากๆหรือพระมาประชุมกันมากๆมากกว่า1250องค์ก็ได้ แต่การประชุมครั้งกระโนนที่ข้าพเจ้าว่าสำคัญที่สุดในโลกนั้นอยู่ตรงที่ว่าเป็นการประชุมเพื่อสันติภาพของโลกที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆคนเข้าประชุมก็บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีแม้แต่คนเดียวที่มีความคิดร้ายต่อคนอื่นหรือมีความโลภที่จะกอบโกยผล ป, ประโยชน์เข้าตัวและของพวกพ้องผู้เป็นประธานในที่ประชุม ก็เป็นยอดของผู้บริสุทธิ์คือพระพุทธองค์ทรงเป็นประธานเองทีนี้เรื่องวาระ ก, การประชุมข้อนี้สำคัญมากเพราะการประชุมใดๆก็ตามจะมีความสำคัญมากเพียงใดขึ้นอยู่กับเรื่องที่ประชุมท่านผู้ฟังโปรดนึกวาดภาพดูก่อนว่าตอนที่มีการประชุมส่งครั้งนั้นเป็นเรียต้นที่พระพุทธเจ้าของเราทรงส่งพระสาวกไปประกาศศาสนา ในภาคพื้นชมพูทวีปซึ่งในสมัยนั้นมีเจ้าของลัทธิต่างๆตั้งสำนักเผยแผ่ลัทธิของตนอยู่ทั่วไปมีการปฏิบัติแปลกๆและมีการโฆษณาทับถมกันวุ่นวายแต่และฝ่ายก็มักจะเสี้ยมสอนสารนุสิตของตนในทางที่จะก่อความเสียหายให้แก่อีกฝ่ายแต่การประชุมพระสาวกของพระพุทธองค์ครั้งนั้นกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม เป็นการประชุมที่มีผลทำให้โลกที่วุ่นวายกลับเข้าสู่ความสงบทำให้โลกที่กำลังเร่าร้อนกลับเข้าสู่ความเยือกเย็นและเป็นการวางรากฐานแห่งสันติของโลกอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงปกคลุมจนมาถึงตัวเราทุกวันนี้ท่านประชุมกันว่าอย่างไรเรื่องที่พระองค์ตรัสต่อที่ประชุมครั้งนั้นมีข้อความสําคัญกระทัดรัต แต่ทราบซึ้งถึงใจของชาวโลกต่อมาเป็นเวลานา น, านถึง25ศตวรรษแล้วบางท่านอาจไม่ได้พิจารณาพระพุทธโอวาสนั้นในบางแง่จึงขอเสนอข้อคิดพอเป็นทางพิจารณาพระดํารัดในที่ประชุมนั้นมีสองภาคภาคแรกทรงแสดงหลักการศาสนาของพระองค์ภาคหลังทรงแสดงวิธีการให้พระสาวก ผู้ที่จะนำหลักการนั้นไปเผยแพร่ตอนแรกที่ว่าทรงแสดงหลักการนั้นคือหลักการปฏิบัติพระองค์ตรัสว่า 1. สับปะปาปัสะอาการนังคือการไม่ทำชั่ว 2. กุศลสู้ประซึมประดาคือการทำความดี 3. สจิตะประโยช์ดปะนังคือการทำจิตของตนให้ผุดผ่อง สข้อนี้เป็นหลักการปฏิบัติตอนนี้เท่ากับทรงย่นคําสอนของพระองค์ย้ํายืนยันต่อที่ประชุมว่าคําสอนของพระองค์ว่าอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างนี้อย่างอื่นไม่ใช่ส่วนตอนหลังที่ว่าทรงแสดงวิธีการนั้นคือเมื่อทรงเน้นหลักการทั้ง3ให้พระสาวกเข้าใจแล้วปัญหาขั้นต่อไปอยู่ที่ว่าพระสาวกเหล่านั้นควรจะดําเนินการหรือ ปฏิบัติอย่างไรในการนำหลักการไปเผยแผ่แก่ประชาชนซึ่งถ้าพูดตรงๆการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยนั้นก็คือการปฏิบัติใหญ่ทางด้านจิตใจของมหาชนซึ่งยังเชื่อมั่นอยู่ในลัทธิต่างๆทั้งเป็นการคัดค้านเจ้าลัทธิต่างๆโดยเปิดเผยสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือพระสาวกที่จะแยกย้ายกันจาริกไปเผยแผ่ศาสนาในแคว้นต่างๆนั้น จะต้องเผชิญกับการต่อต้านจากบรรดาเจ้าลัทธิและสานุสิทธิ์ทั้งโดยทางตรงทางอ้อมอย่างไม่ต้องสงสัยการที่พระพุทธเจ้าประธานโอวาทท่อนที่สองในที่ประชุมก็เป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่พระสาวกว่าเมื่อไ ป, ปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเข้าจะแก้ไขอย่างไรซึ่งแน่ละ่ะการประชุมครั้งนั้น ถ้าท่านผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นคนอื่นที่ใจยังศกกรกอยู่ด้วยกิเลสเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกของตัวก็คงจะฉวยโอกาสในการที่พระมาประชุมกันมากๆกล่าวปลุกปัน่นเสี่ยมสอนให้พระเหล่านั้นเกิดความชิงชังต่อฝ่ายอื่นและให้ดาเนินการต่อสู้ด้วยวิธีอันหยาบตำ่ำอย่างที่คนกิเลสหยาบทากันเป็นต้นว่า ให้มีการพูดผลักปรมและด่าดทอใส่ร้ายฝ่ายอื่นให้มีการยื้อแย่งอาสมสำนักของฝ่ายอื่นและวิธีการอื่นในลักษณะนี้แต่ท่านผู้รับอบรมที่เคารพพระพุทธเจ้ากลับประกาศใช้อีกวิธีหนึ่งที่พวกชาวชมพูทวีปพระเจ้าลัทธิอื่นไม่คาดฝันคือพระองค์ตรัสสั่งว่าอนูปาวาโดคือเธออย่าไปว่าร้ายข้อนขอดเขา อนุปคาโตคือเธออย่าไปรังแกเขาปาติโมเคจะสร้างวโรคือเธอจงระมัดระวังความประพฤติของตนให้ดีจากพระดำรัดนี้ทองความชัดว่าน้ำพระทัยของพระองค์เป็นอย่างไรต้องการความสงบหรือความวุ่นวายแล้วก็ตรัสสั่งสำทับเกี่ยวกับอาหารการบริโภคตลอดจนที่พักอาศัยว่า มัตตัุตาจะพัตตสงคือให้รู้ประมาณในเรื่องอาหารการกินปัตัญจะสยนาสนังคือให้ไปพักในที่ที่สงบเงียบอธิจิตเตจะอาโยโคคืออย่าละทิ้งทุระทางใจจากพระพุทธธรรรัสทั้งสามตอนทำให้เราเห็นความชัดว่าพระตถาคตเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างนี้ และผู้ที่ทำงานเผยแผ่พระศาสนาของพระองค์ก็ต้องบำเพ็ญตัวอย่างนี้คือไม่ว่าร้ายปรักปรำใครไม่รังแกข่มเหงใครตั้งอยู่ในวินัยเคร่งครัดรู้ประมาณในอาหารไม่เห็นแก่กินหาที่อยู่สงบไม่ก่อความวุ่นวายเพราะเรื่องวัฏวาที่อยู่อาศัยนี้เป็นลักษณะของผู้ทำงานเพื่อพระตถาคตเจ้าพูดง่ายๆคือลูกพระตถาคต ต้องใช้วิธีนี้ใครก็ตามที่ใช้วิธีอื่นเผยแผ่ศาสนาแม้จะอ้างว่ากระทำเพื่อพระพุทธองค์ก็หาตรงกับพระพุทธประสงค์ไม่เมื่อหลักการนี้และวิธีการนี้เผยแผ่ไปในมุมใดของโลกความสงบและความเยือกเย็นก็เกิดขึ้ น, นที่แห่งนั้นผู้มุ่งหมายวุ่นวายก็บ่ายหน้าเข้าหาความสงบแม้กุนโจร ผู้กระหายเลือดก็รามือจากการล้างผลาญคนอื่นความสงบสุขที่เกิดขึ้นแก่โลกสืบเนื่องกันมาจนถึงวันนี้ได้แพร่กระจายออกจากที่ประชุมครั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนั้นจึงเป็นวันสันติภาพของโลกสําคัญอย่างยิ่งแ ก, ก่ทุกๆชีวิตรวมทั้งตัวเราด้วยการที่เราสละเวลากระทาพิธีมาคบบูชาในวันนี้ จะเป็นการเหมาะสมโดยประการทั้งปวงทีนี้หันก็าหาทางปฏิบัติเราจะจับจุดสำคัญของวันมาคบูชานี้อย่างไรเรื่องธรรมนั้นถ้าเราไม่หาจุดสำคัญแล้วจะรู้สึกว่าพระพระศักแต่ว่าคว้านอนคว้านี่ประเดี่ยวก็เลิกปฏิบัติทำอะไรกลายเป็นไฟไม่ฟางฮือกันชั่วพักเดียวแล้วก็เงียบแต่ถ้าเราหาจุดที่ยืนหยัดได้เหมาะแล้ว จะทำให้ปฏิบัติทำได้สะดวกใจขึ้นคล้ายๆกับเราจะยกของถ้าจับไม่ถูกที่จะรู้สึกว่ามันไม่ถนัดเปลืองแรงและหลุดไม้หลุดมือง่ายต้องหาที่เหมาะๆอย่างกระทะจับที่หูฉลอมรวดที่ปากมีดพร้าจับที่ด้ามของอื่นๆก็เหมือนกันถ้าจะหยิบจะต้องยกต้องหาที่จับให้เหมาะเรื่องความสําคัญของวันมาคะ เราจะจับตรงไหนตามปกติเรารู้ว่าสำคัญมากนับว่ามีความสำคัญถึงสี่อย่างนี้ที่นี้เราจะเอาตรงไหนมาเป็นจุดที่จะจับในทางปฏิบัติเราจะเอาจำนวนพระมากๆหรือจะเอาที่พระจันทร์เป็นเดือนหายดีหรือเอาตรงไหนข้าพเจ้าตรึกตรองทบทวนแล้วครั้นพิจารณาไปพิจารณาไป ก็ได้ความที่เป็นประโยชน์ทางปฏิบัติจึงนามาเล่าสู่กันฟังท่านผู้อื่นอาจได้จับที่เหมาะกว่านี้ได้แลกเปลี่ยนกันดูคืองานที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำในที่ประชุมนั้นก็ใหญ่ใจความอยู่ที่ทรงกำหนดเรื่องสำคัญสองเรื่องคือกำหนดหลักคำสอนที่จะแจกจ่ายแก่ผู้อื่นคือกำหนดวิธีให้พระสาวกผู้ที่จะนาคาสอนนั้นไปเผยแผ่ พูดง่ายๆคือกําหนดของที่จะให้กับกําหนดตัวผู้ที่จะให้ของที่จะให้ก็คือหลักธรรมสมข้อซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับจริงๆดีล้วนๆไม่มีร้ายเจือปนเลยวันนี้เวลาน้อยขอฝากไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าจะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธโอวาสามข้อนี้รวมลงได้อย่างไร วันนี้จำง่ายๆไว้เพียงว่าพระองค์สอนให้ได้ดีคือให้พระสาวกเอาดีไปให้ชาวโลกไม่ใช่เอาร้ายไปให้ทีนี้ทางข้อปฏิบัติตัวของสาวกก็ทรงสอนให้ทําดีต่อคนอื่นล้วนเช่นห้ามด่าว่าก่อนขอดใครห้ามรังแกกล่มเหวีงใครตลอดจนการกินอยู่ก็ไม่ให้ทําให้เขาต้องเดือดร้อนมีแต่ทําดีล้ลว น, ลวน คิดมาถึงตรงนี้ก็พบจุดที่เราพอจะรับให้เหมาะๆได้คือหลักที่ทรงวางไว้ในวันนั้นเท่ากับพระองค์ทรงสอนพระสาวกซึ่งกล่าวโดยในหนึ่งก็คือลูกพระตถาคตว่าลูกของพระตถาคตนั้นมีลักษณะสองอย่างคือทำดีและให้ดีงานของคนเราทำกันอยู่ทุกวันนี้เมื่อว่าย่อๆแล้วก็มีสองอย่างคือ ทำให้กับตัวเองกับทำให้คนอื่น2 อ, อย่างเท่านั้นการปฏิบัติตามหลักธรรมะคือเราต้องดีทั้งทาดีทั้งให้ทำดีให้ดีหลักนี้ผิดกับผู้ไม่ได้อบรมธรรมะมักจะเข้าไปจัดแต่คนอื่นให้เขาทำดีอย่างนั้นทำดีอย่างนี้แต่ตนเองสิปล่อยปละละเลยทางธรรมมักจะเป็นอย่างนี้ ทางให้ก็เหมือนกันในฐานะผู้รับเราอยากจะรับแต่สิ่งดีๆจากคนอื่นแต่อยากให้เขาพูดคำดีๆให้เราฟังอยากให้เขาซื่อสัตย์เมตตากรุณาต่อเราเสมอในทางรับเราอยากรับแต่ดีๆแต่ในฐานะผู้ให้เราชอบให้ร้ายแก่คนอื่นเช่นพูดคำดา่าคำหยาบให้เขาฟังทำท่ากระด้าง วางโตให้เขาดูเล่นเหลี่ยมโคดกองให้เขาเสียเห็นกันอยู่ทั่วไปเราอยากให้คู่ครองเขารักเราคนเดียวบูชาเราคนเดียวแต่อยากให้เรามีอำนาจเต็มที่จะไปเที่ยวรักรใครๆก็ได้พูดย่อยๆอีกทีในแง่การทําเราชอบจัดให้คนอื่นทําดีแต่เราเองปล่อยตามอำเภอใจในแง่ให้ก็อยากให้ร้ายแก่คนอื่น แต่อยากรับดีจากเขาเรื่องมันเลยเข้าทำนองเด็กเล่นไม้กระดกใครๆก็อยากให้ตัวเป็นฝ่ายขึ้นไปอยู่สูงบนอากาศและในขณะเดียวกันก็อยากให้อีกฝ่ายลงไปอยู่ที่ต่ําติดพื้นดินตกลงว่าการบรรยายธรรมะในรายการพิเศษเนื่องในวันมาค้าบูชานี้ข้าพเจ้าขอย้ำให้ท่านผู้อบรมคํานึงถึงสั ญ, ญลักษณ์ของพุทธศาสนิกซึ่งถือ ตัวเองว่าเป็นลูกพระตถาคตเราจะต้องสร้างสั ญ, ญลักษณ์สองอย่างคือต้องทำดีและต้องให้ดีทำดีในงานทุกอย่างและให้ดีต่อทุกคนในวันมาฆบูชานี้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าของเราทรงสอนให้เราเป็นคนทำดีและให้ดีเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันดีของพุทธศาสนิกชนสมควรที่เราทุกคนจะต้อง ตั้งปฏิญาณถวายเป็นพุทธบูชาว่าเราจะเป็นคนทำดีและให้ดีในวันดีของเรานี้ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้อบรมทุกท่าน